ทนรอจนนานพอสมคู่วันแล้วคืนหนึ่งนั่งภาวนาจิตยังรู้เห็นความเป็นมาผู้นำบ้านป่าเรียกประชุมกันพร้อมกับไต่ถามหาความจริงจากลูกบ้านที่ให้ไปสังเกตการ น, นั้นได้ผลฉันได้ คอยเฝ้าดูท่านมาตอบว่าไม่มีอะไรไปดักมองสังเกตที่ไรเวลาใดไม่คลาดคลาเห็นแต่ท่านนั้นสำรวมแล้วเดินกลับไปกลับมา บางครั้งนั่งนิ่งหลับตาไม่มีท่าทางเป็นพิษเป็นภัยทางที่ดีพวกเรานั้นควรเข้าไปทางไทยให้รู้แน่ว่าเอตใดท่านถึงเดินไปเดินมาบางคราวนั่งนิ่งหลับตาท่านเดินและนั่งทำไม ชุพลเห็นพ้องต้องกันแล้วนี่เดี๋ยวเขาคงไม่รอรีรีมาไต่ถามพอคองใจพอวันสองวันจากนั้นมาชาวบ้าน่า เรานั่งเดินตามหาพุโทโธพุธโทโธของเราอยู่นี่ยังไม่พบเจอสักทีไม่รู้หลบหลีไปห้นใด ในโลกาชลารอบรู้เนื้อใดเขาถามา่าพุทโตใหญ่โตนั้นสักเท่าไรท่านตอบไม่เล็กไม่ใหญ่ทั้งนอกทั้งในกำลังพอดี ท่านพูดต่อไปว่าใครหาพุทโธพบคนนั้นประเสริฐมองเห็นอะไรได้ตามใจหวังมองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหมทูตเจ้ามองเห็นสิไม่เห็นจะว่าประเสริฐได้อย่างไรลูกเมียผัวตายไปมองเห็นได้ไหมทูตเจ้ามองเห็นได้หมดเมื่อได้พุทโธแล้วสว่างมากไหมท่านสว่างมากยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตั้งร้อยดวงพันดวงเพราะดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องเห็นนรกสวรรค์ได้ แต่ดวงพุโทโธส่องเห็นหมดผู้หญิงและเด็กช่วยหาได้ไหมได้หมดไม่นิยมว่าหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหาก็ได้ทั้งนั้นพุโทโธนั้นประเสริฐทางใดกันผีได้ไหมได้ผีก็กลัวพุโทโธมากใครหาพุโทโธแม้ยังไม่พบผีเริ่มกลัวผู้นั้นแล้วพุโทโธเป็นแก้วเสียอะไรตูเจ้าพุโทโธเป็นแก้วดวงสว่างสวยัย และมีหลายสีจนนับไม่ได้พุทโธนี้เป็นสมบัติอันวิเศษของพระพุทธเจ้าได้มอบให้เรามาไว้หลายปีแล้วแต่เราเองยังหาพุทโธ ท, ที่ท่านมอบให้นั้นยังไม่เจอถ้าสูจะพากันช่วยเราหาพุทโธจริงๆให้พากันนั่งนิ่งๆหรือเดินไปเดินมานึกในใจว่าพุทโธพุทโธอยู่ภายในโดยเฉพาะไม่ให้จิตทรงออกไปนอกกาย ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธเท่านั้นถ้าทำอย่างนี้พวกสูอาจเจอพุทธโธก่อนเราก็ได้การนั่งหรือเดินหาพุทธโธจะให้นั่งหรือเดินนานสักเท่าใดให้นั่งหรือเดินเพียง15หรือ20นาทีก่อนสำหรับตอนแรกพุทธโธ ท, ท่านยังไม่อยากให้พวกเราตามหาท่านนานนักกลัวจะเหนื่อยแล้วตามพุทธโธไม่ทัน เดี๋ยวจะขี้เกียจเสียก่อนเอาละเอาแค่นี้ก่อนถ้าอธิบายมากกว่านี้พวกสูจะจำวิธีไม่ได้แล้วตามหาพุทโธไม่พบพอชาวบ้านทราบวิธีตามที่พวกมาถามท่านนำไปเล่าให้ฟังกันแล้วต่างคนต่างสนใจฝึกหัดนึกพุทโธภายในใจโดยทั่วกันนับแต่หัวหน้าบ้านลงมาถึงผู้หญิงและเด็กๆที่พอรู้วิธีนึกพุทโธได้